คำว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดคาว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทาการกระทาของเราทำให้เรามาเป็นอะไรกันต่างๆกันทัง้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายก็ทำให้เรามาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตํารวจ เป็นครูเป็นพระเป็นแม่ชีก็เกิดจากการกระทาของเราตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนเรียนหนังสือเราก็เลือกวิชาเรียนต่างๆที่เราอยากเรียนชอบเรียนคนชอบเรียนแพทย์ก็เรียนวิชาแพทย์ คนชอบเรียนพยาบาลก็เรียนวิชาพยาบาลคนชอบเรียนวิศวะก็เรียนวิศวะการล่ำเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทาอย่างหนึ่งเมื่ อ, อทำไปแล้วก็ทำให้เกิดการมีผลตามมาทำให้เราได้มาเป็นอะไรกันต่างๆเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครู เป็นวิศวะกรเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรต่างๆที่เราเป็นกันอยู่นี่ก็เกิดจากการกระทาของเราตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมานี่อันนี้เป็นผลที่เกิดแก่ทางร่างกายของเราแต่ยังมีผลอีกอย่างหนึ่งที่เกิดกับทางใจของเราที่เรามองไม่เห็นกัน เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเรามีสองส่วนชีวิตของพวกเรามีร่างกายและมีใจใจก็เป็นผู้ที่มีผลที่เกิดจากการกระทาของใจเช่นเดียวกันใจนี้ก็มีแบ่งเป็นหลายอย่างหลายแบบ เหมือนกับร่างกายการกระทาต่างๆของใจก็จะทำให้ใจนี้เป็นอะไรต่างๆไปเช่นใจนี้มีหลายแบบใจที่เป็นมนุษย์ใจที่เป็นเดรัจฉานใจที่เป็นเปรตใจที่เป็นอสสรกายใจที่เป็นนรก หรือใจที่เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมใหญ่ที่เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์ก็เกิดจากการกระทำเหมือนกันเพียง <c oughs> แต่ว่าต่างจากการกระทำที่จะทำให้ร่างกายเป็นอะไรต่างๆ ร่งางกายเราเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เพราะเราไปทำไปเรียนวิชาต่างๆที่ทำให้เรามีความรู้ที่จะไปประกอบอาชีพต่างๆได้ให้เราเป็นเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นอะไรต่างๆกันไปทางร่างกายเรานี้อาจจะเป็นตำรวจเป็นทหาร แต่ใจของเราในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรืออาจจะไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานหรือไปอเป็นนรกก็ได้อันนี้คือการกระทาที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาต่อร่างกายและจิตใจของพวกเรา ผลที่เกิดทางร่างกายนี้มันเป็นผลระยะสัน้นเกิดชั่วขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่แ ต, แต่ผลที่เกิดจากจิตใจนี้มันมีผลกระทบระยะยาวมันเกิดตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราอาจจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพระเป็นชี แต่จิตใจของเรานี่อาจจะเป็นอะไรต่างๆกันก็ได้อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นพระอริยบุคคลก็ได้หรืออาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้การกระทาต่างๆที่ทำให้ใจเป็นอะไรต่างๆนี้มันต่างจากการกระทา ที่ทำให้ร่างกายเราเป็นอะไรต่างๆกันทางร่างกายนี้ก็เกิดจากการศึกษาเป็นส่วนใหญ่การศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเมื่อศึกษาแล้วเราก็สามารถเอาวิชาความรู้ที่เราศึกษานี้ไปสมัครเป็นอะไรต่างๆได้แต่การที่เราจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคล หรือเป็นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาสรคกายเป็นนรกนี้เกิดจากการกระทาที่ต่างกันจากการกระทาที่ทำให้เราเป็นอะไรต่างๆทางร่างกายการกระทาที่ทำให้เราเป็นอะไรต่างๆทางจิตใจนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองสองส่วนด้วยกันส่วนที่เรียกว่าบุญ กับส่วนที่เรียกว่าบาปนะส่วนที่บาปก็จะทำให้เราไปดวงจิตดวงใจเราไปเป็นอะไรในอบายนะอบายก็คือที่เกิดที่ไปเป็นของผู้ที่ทำบาปส่วนบุญนี้ก็เป็นส่วนที่จะส่งให้จิตไปเป็นเทพเป็นพรม เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆอันนี้เป็นกรรมอีกอย่างหนึ่งกรรมทางใจกรรมทางใจนี้กรรมต่างกับกรรมทางร่างกายกรรมทางร่างกายนี้ทำให้เกิดผลต่อการเป็นของร่างกายส่วนการกระทาทางใจนี้จะมีผลต่อจิตใจ ถ้าทำบุญหรือทำบาปนี่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีการทำบุญจะเปลี่ยนแปลงให้จิตใจไปในทางที่ดีคือให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญคือความสูงขึ้นไปทางตรงกันข้ามการทำบาป จะทำให้จิตใจตกต่ำจะทำให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นไปตามลำดับในชีวิตของเรานี้เราก็ทำกรรมทั้งสองแบบทำกรรมที่มีผลกระทบต่อการเป็นของร่างกายของเราและทำกรรมที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเรา ตั้งแต่เด็กมานี้เราก็ทำได้ททั้งสองอย่างส่วนใหญ่เราจะรู้แต่ทางร่างกายว่าถ้าเราไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเราก็จะเรียนดีเราก็จะสอบได้คะแนนดีเราเวลาจบก็จะมีโอกาสที่จะไปสมัครเป็นอะไรต่างๆได้มากกว่าคนที่เรียนไม่ดี แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะทำบุญทำบาปในขณะที่เราเรียนหนังสือแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันมีผลกระทบอะไรกับจิตใจของเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราเวลาที่เราทำบุญหรือเวลาที่เราทำบาปกันแต่ถ้าเราได้เข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาเราก็จะรู้ว่าการทำบุญและการทำบาปนี้มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเรา และมีผลที่มีน้ำหนักมากกว่าผลที่จะเกิดจากทางร่างกายเพราะบุญและบาปนี่มันมีผลยาวนานกว่าผลที่เราได้รับทางร่างกายทางร่างกายมันก็ชั่วอยุไขหรือชั่วหรือตามเงื่อนไขของ ของของงานที่เราไปทำเช่นตอนนี้ถ้าอยากเป็นสอสอเราก็ไปสมัครเป็นสอสอกันสมัครลงเลือกตั้งกันพอเลือกตั้งเสร็จถ้าเราได้ได้คะแนนมากกว่าผู้อื่นเราก็ได้เป็นสอสอแต่สอสอนี้เขาก็มีวาระของเขาเป็นวาระสี่ปีเช่นพอครบวาระสี่ปี การเป็นสสก็หมดไปถ้าอยากจะเป็นสสใหม่ก็ต้องลงเลือกตั้งใหม่อันนี้เป็นทางร่างกายหรือว่าถ้าตายไปในขณะที่เป็นสสถ้าร่างกายตายไปในขณะที่เป็นสสการเป็นสสก็หมดสภาพไปแต่การเป็นอะไรทางจิตใจมันไม่หมดไปกับการตายของร่างกาย เพราะจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปไม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้อยู่ต่อไปอยู่ตามผลที่ได้ได้ได้รับมาจากการกระทำบุญหรือทำบาปถ้าจิตใจเป็นเทวดาเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็ยังเป็นเทวดาต่อไปถ้าจิตใจเป็นพระอริยบุคคล ก็จะเป็นพระอริยบุคคลต่อไปถ้าจิตใจเป็นเดรัจฉานก็จะไปเป็นเดรัจฉานต่อไปผลกระทบทางจิตใจนี้มันจึงมีความรุนแรงหรือมีความ <c oughs> มีน้ำหนักมากกว่าผลที่ได้รับทางร่างกายให้ <c oughs> เราจึง ไม่ควรมองข้ามผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจอย่าไปหลงอยู่กับการดูผลที่จะได้รับทางร่างกายเพราะว่าผลที่ได้รับทางร่างกายมันก็ชื่อเวลายะเวลาที่มีชีวิตอยู่หรือระยะเวลาที่เขามีการกำหนดไว้เช่นถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจเขากำหนดให้มีผลแค่อายุหกสิบปี พอพ้นจากอายุหกสิบปียศต่างๆที่เราสแสวงหากันมันก็จะหมดไปเป็นนายพันพออายุครบหกสิบก็หมดไปเป็นนายพลหกสิบก็หมดไปเป็นนายร้อยอายุหกสิบก็หมดไปจะเป็นอะไรไปอีกต่อไปก็ไม่ได้เพราะเขามีกาหนดเงื่อนไข ในการเป็นอะไรต่างๆของเราทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้มันไม่ได้หมดไปตามตามตามความเป็นความตายของร่างกายมันหมดไปตามกำลังของบุญที่ได้เอาไปใช้หรือได้ใช้ไปหมดหรือไม่หมดนบุญหรือบาปนี้ของจิตใจเปรียบเหมือนกับ น้ำมันน้ำมันในรถยนต์น้ำมันในรถยนต์ถ้าเราขับรถยนต์ไปเรื่อยๆไม่นานน้ำมันในรถก็ต้องหมดหมดเราก็ต้องไปเติมใหม่บุญกบากก็เป็นในลักษณะนี้สำหรับผลที่จะมีกระทบต่อจิตใจไม่ได้เป็นเทวดาไปตลอดไม่ได้เป็นพรหมไปตลอดไม่ได้เป็นเดชะฉานไปตลอด ไม่ได้เป็นเป็นเปรตหรือเป็นนรกไปตลอดเมื่อไปเป็นแล้วอยู่ได้สักระยะหนึ่งอบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปเป็นนั้นมันหมดกําลังลงก็เปลี่ยนกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ได้การที่จะกลับมาอยู่ในระดับมนุษย์ก็คือจิตใจของเราต้องไม่มีบาปหรือไม่มีบุญมากมากกว่ากัน บุญกับบาปอยู่ประมาณเท่ากันบุญไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานได้ตอนนั้นจิตก็จะอยู่ในฐานะของมนุษย์คือมีห้าสิบห้าสิบรางบุญกับบาปที่ได้ทาไว้ที่ยังไม่ได้ส่งผลบุญกับบาปนี้ มันก็ทามันก็เพิ่มขึ้นมาพอเป็นไปรับผลบุญผลบาปมันก็ลดลงไปมันก็ทําให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตายไปถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้เราไปเป็นเป็นเทพเป็นพรหมถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้เราไปเป็นเปรตเป็นเดระฉานหรือไปตกนรกเนี่ย มีผลของบุญอีกระดับหนึ่งที่ถ้าได้มาแล้วมันจะไม่เสื่อมมันจะไม่หมดนผลบุญของระดับนี้เราเรียกว่าระดับของพระอริยะบุคคลหรือโล ก, กุตละธรรมคือเป็นเป็นผู้ที่ได้บุญในระดับที่เหนือเหนือกว่าโลกของการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่ได้ไปสู่ระดับอายยบุคคลแล้วจะไม่เสื่อมลงมาไม่เสื่อมลงมาเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์จะจะอยู่ในระดับที่ตนเองได้เป็นอยู่ขั้นสูงสุดคือระดับพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้จะไม่เสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นเป็นพรหมเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ระดับของพระอริยบุคคลที่รองลงมาเช่นพระอนาคามีพระสกิด า, า, าคามีพระอรหัพระโสดาบันนี้ยังมีการกลับมาเกิดในไตรภพได้อยู่แต่จิตใจจะไม่เสื่อมแต่เพียงแต่ว่าจิตใจยังไม่หลุดออกจากอำนาจของไตรภพ ยังต้องติดอยู่ในตายพพอยู่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี้ก็จะไปติดอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นพรมโลกจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพระสกิฎาคามีพระอนาคามีนี้ยังกลับมาเกิดเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่แต่จะไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้น ให้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปจนถึงระดับของพระอารหันต์ได้แต่จะไม่มีวันตกต่ากว่าระดับของมนุษย์ถ้าเป็นพระอาริยบุคคลแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้จะไม่ลงไปเกิดในอบายบจะเกิดต่ำที่สุดก็คือระดับของมนุษย์หรือระดับของเทวดาขั้นที่สามนี้ก็จะเกิดระดับที่ ระดับของพรหมจะไม่ลงมาระดับของเทวดาหรือของมนุษย์ส่วนระดับของพระอรหันต์นี้จะไม่กลับมาเกิดในใจภพอีกต่อไปจะไม่มาเกิดในรูปภพอรูปภพหรือกามภพที่เป็นภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกาย นี่คือผลที่กระทบต่อจิตใจจากการทำบุญทำบาปอันนี้เราจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ต้องอาศัยการไปศึกษาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาแต่เป็นวิชาเกี่ยวกับทางจิตใจ สถาบันการศึกษาอื่นๆทางโลกในโลกนี้จะเกี่ยวกับการการเป็นอะไรทางร่างกายใครอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นวิทนักวิทยาศาสตร์ก็ไปศึกษาตามสถาบันที่สอนวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นก็จะได้ไปเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นครูเป็นอาจารย์ แต่ถ้าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเนี่ยต้องไปศึกษาจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีสถาบันใดในโลกนี้ที่รู้เรื่องของจิตใจได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เท่ากับศาสนาเท่ากับพุทธศาสนานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เข้ามา สู่วัดสู่วาเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อศึกษาเรื่องกรรมคือการกระทาของเราในส่วนที่มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเรารผลที่มีการกระทบต่อจิตใจของพวกเราเรียกว่ากรรมการกระทาที่มีอยู่สามทางด้วยกัน ทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเราก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมทางจิตใจก็คือมโนกรรมละกรรมทั้งสามนี้ก็มีสามแบบเหมือนกันคือ ท, ทาทำบาปก็เป็นแบบหนึ่งทาบุญก็เป็นแบบหนึ่งแล้วทา กลางๆระหว่างบุญกับบาปคือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็เรียกว่าเป็นการกระทาอีกอย่างหนึ่งการกระทาทั้งสามอย่างนี้ทางกายทางวาจาทางใจนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของพวกเรายกตัวอย่างถ้าเราทำบุญวันนี้เราทำบุญซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระเรา ก็ต้องใช้ความคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะไปทำบุญที่วัดเกิดมนโนกรรมขึ้นมาก่อนเมื่อเกิดมนโนกรรมเราก็ออกเดินทางไปซื้อของที่ร้านก็เป็นกายกรรมระหว่างซื้อของก็มีการพูดพูดกับร้านที่ขายของว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็เรียกว่าวาจัจจกกรรมแต่เป็นกรรมที่มุ่งไปสู่บุญเป็น เป็นบุญทั้งสามทางคิดก็คิดเรื่องบุญทำก็ทำเรื่องบุญพูดก็พูดเรื่องบุญผลก็จะเกิดขึ้นมาในใจทำให้ใจมีบุญเพิ่มมากขึ้นทำให้ใจสูงขึ้นจากระดับของมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ก็จะเดืงใจให้ขึ้นไปสูงกว่าระดับของมนุษย์ด้วยการทำบุญ ส่วนบาปก็เหมือนกันถ้าเราทำบาปมันก็จะเป็นผลตรงกันข้ามมันจะเดึงใจให้ลงต่ำเช่นเราวันนี้ไปลักขโมยของของคนอื่นก่อนจะลักขโมยเราก็ต้องคิดก่อนคิดว่าจะเอาของเขาอยากได้ไม่สามารถไปซื้อได้ไม่มีใครเขาขายแต่เราอยากได้ของเขาเป็นของแปลกของหายากเราก็ หาโอกาสหาเวลาพอมีโอกาสเราก็ขโมยของเขาเข้ามาอันนี้ก็จะมีการกระทาทางความคิดแล้วก็มีการกระทาทางร่างกายคือไปหยิบของเขามาอาจจะไม่มีการกระทำทางวาจานอกจากว่าอาจจะต้องพูดคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วหลอกเขาว่าไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำตามที่เราได้พูดไว้ อันนี้ก็จะเป็นการกระทำบาปทางกายทางวาจาทางใจพอทำแล้วมันก็จะเพิ่มบาปที่มีอยู่ในใจของเราให้มีมากขึ้นมันเป็นเหมือนไปเอาไปฝากบัญชีไว้ในธนาคารบัญชีมีบัญชีบวกบัญชีลบบุญนี้ถือว่าเป็นบัญชีบวก บาปนี้เป็นถือว่าเป็นบัญชีลบเป็นเหมือนหนี้เป็นเหมือนเราไปกู้หนี้จากธนาคารที่เราจะต้องใช้หนี้ต่อไปส่วนบุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ที่เราจะไปเบิกใช้ได้ต่อไปบุญมีประโยชน์บาปมีโทษบาปดึงให้จิตใจเราลงต่ำจากมนุษย์เราจะเพิ่มความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย หรือเป็นนรกขึ้นมาตามลําดับของการกระทําบาปของเราทําไมจึงมีสี่แบบด้วยกันทําไมทําบาปแล้วจึงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกบ้างก็เป็นเพราะว่าเหตุผลของการทําบาปไม่เหมือนกันถ้าทําบาปด้วยความจําเป็นเช่นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงท้องเป็นอาชีพเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นก็เหตุผล น, น, นี้ทำให้จิตใจไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ทำบาปเขาต้องทำบาปเพื่อการอยู่รอดสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอเขาอยู่กันแบบนั้นใจของผู้ที่เป็นมนุษย์แต่ไปทำบาปไปทำอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นเหมือนเดรัจฉาน เช่นไปทำอาชีพค่าเป็ดค่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายอะไรตำนองนี้ <_ S 1> <อ>ก็ไปทำให้จิตใจไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าไปทำบาปด้วยความโลภคือมีอาชีพที่ทดีอยู่แล้วไม่ได้ทำบาปแต่มีความโลภอยากจะได้อะไรมากขึ้นก็จะได้มาก็ต้องมีการทำบาป ช่อโกงบ้างหลอกลวงบ้างอะไรทำนองนี้มันก็จะทำให้จิตนี้เป็นเปรตเปรตคือดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ด้วยความหิวโหวยความโลภนี้จะทำให้ใจหิวโหวยได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ จึงต้องทำบาปอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้ให้มีสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเห็นไหมคนบางคนได้หมื่นแล้วก็ไม่พอต้องอยากได้แสนได้แสนก็ไม่พอต้องอยากได้ล้านอยากขึ้นไปเรื่อยถ้าไปหาเงินเหล่านี้ด้วยการทำบาปอันนี้จะทำให้จิตใจเป็นเปรตแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปหา หาถึงแม้จะโลภแต่หาด้วยความที่สุดจริญคือไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ไม่ผิ ด, ด, ผดศีลธรรมจิตใจไม่ได้เป็นเปรตยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์ที่มีความโลภมากหิวโหยมากส่วนจิตใจที่ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายก็เป็นผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัว กลัวว่าจะตนเองจะเดือดร้อนจะเสียหายก็เลยไปทำบาปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายกับตนเองอันนี้ก็จะทำให้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์เพราะความกลัวแล้วส่วนที่ไปนรกก็คือพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นใครมาทำอะไรให้เราเสียหาย ทาให้เราไม่พอใจเราก็อาฆาตพยาบาท ต, ต้องล้างแค้นกันอันนี้ถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใจก็จะเป็นนรกขึ้นมาใจจะร้อนความทุกแต่ละแบบไม่เหมือนกันทุกเพราะความอาฆาตพยาบาททุกเพราะความกลัวทุกเพราะความโลภทุกเพราะความหลงไม่รู้ว่าทําแล้วจะทําให้ตนเองนี้ ไปอยู่ในสภาพที่จะต้องเจอกับความทุกข์คือไปเป็นเดลฉานเ น, นี่ยนีคือทำไมจึงมีอบายอยู่สีระดับด้วยกันเพราะเหตุที่ทำบาปนี้มีหลายเหตุด้วยกันมีความโลภความโกรธแล้วก็ความกลัวแล้วก็ความหลงคือความไม่รู้ ไม่รู้ว่าทำบาปแล้วจะทำให้มีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเองแต่คิดว่ามันจำเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินเพื่ออยู่รอดก็เลยต้องทำบาปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็จะทำให้ไปเป็นเดรัจฉาน ส่วนกรรมอีกแบบหนึ่งแบบที่สามการกระทําอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการกระทําที่ไม่ไปส่งผลดีหรือผลเสียต่อผู้อื่นนั่นเองการทําบาปคือการกระทําที่ทําให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกยากลําบากเสียหายเรียกว่าบาป การกระทาที่ทำให้ผู้อื่นได้รับคุณได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากเราเรียกว่าบุญส่วนการกระทาที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดความเสียหายกับผู้อื่นก็เรียกว่าการกระทาที่เป็นกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็ทำเหมือนกันการกระทาอย่างไรที่เราเรียกว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็คือเวลาที่เราทางานทาการดูแลชีวิตของเรานี่แหละ เราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายไม่ได้ไปทำให้ใครได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราเช่นเราอาบน้ำเนี้นั้งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไปออกกำลังกายไปทำงานไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ได้ทำให้คนอื่น เ, อนเขาได้รับประโยชน์หรือทำให้เขาเสียหาย อันนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปผลก็ไม่มีอะไรที่จะกระทบกับจิตใจคือบุญก็ไม่มีมากขึ้นในใจบาปก็ไม่ได้มีมากขึ้นในใจนี่คือการกระทาที่เราทำกันในชีวิตของเราแต่ละวันส่วนใหญ่มักจะทำกรรมที่เป็นกลางๆนี่แหละส่วนใหญ่เราจะ ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเลี้ยงดูแลครอบครัวเราเราก็ไปทำมาหากินหาไรายได้เพื่อมาซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงต่อ เ, เลี้ยงชีวิตของเราในขณะที่เราทำงานนี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะมีไม่โอกาสไปทำบาป ก, ก็ได้ถ้าเราเกิดมีอะไรมาล่อใจเรา มีอะไรให้เรามีโอกาสได้เงินทองมากขึ้นหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่เราอาจจะต้องทำบาปเช่นอาจจะโกหกหรืออาจจะช่อโกงอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ที่ความสำนึกของเราว่าเรามีความสำนึกในเรื่องบุญเรื่องบาปมากน้อยเพียงไร ถ้าเราไม่มีจิตสำนึกในเรื่องบุญเรื่องบาปหรือไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเลยนี้โอกาสที่เราจะไปทำบาปเพื่อให้เราได้เจริญก้าวหน้านี้ก็อาจจะทำได้อย่างง่ายดายคนที่เขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี่เขาก็เขาก็ทำาพอเขาไม่กลัวผลของบาปเขากลัวอย่างมากก็ผลของทางร่างกายคืออา ถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษได้แต่ถ้าเขาคิดว่าทำแบบไม่มีใครรู้เขาก็คิดว่าอาจจะไม่ถูกไปจับลงโทษก็อาจจะตัดสินใจทำบาปได้เพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้ซึ่งถ้าเขาไม่ทำบาปเขาจะไม่ได้ก็เลย ือได้ช้าไม่ได้ตอนนี้อาจจะต้องรอไปอีกหลายเดือนหลายปีกว่าจะได้แต่ตอนนี้มีโอกาสมีคนมาเสนอช่องทางให้แต่จะต้องทำด้วยการทำบาปอันนี้ก็อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนว่ามีจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องบาปเรื่องบุญมากน้อยต่างกันไป คนที่เข้าวัดบ่อยๆเนี้จะมีสํานึกจิตสํานึกเรื่องบุญเรื่องบาปมากกว่าคนที่ไม่เข้าวัดเขาวาไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ากันคนที่เข้าวัดนี้จะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเรื่องการทําบุญเรื่องทําบาปและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจของตนหรือผลของบุญของบาปนี้ไม่ ไม่ได้รอให้มีคนมาให้โทษมาให้รางวัลผลของบุญของบาปนี้มีกฎแห่งกรรมเป็นผู้มาคอยให้บุคคลให้โทษโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะมองไม่เห็นกันการทำบุญหรือทำบาปนี้มันเกิดผลทันทีเลยนะตั้งแต่ที่เราทำปั๊บนี้มันจะเกิดผลขึ้นมาที่จิตใจของเราทันที ถ้าทำบุญนี้ใจเราจะเย็นจะสุขขึ้นมาทันทีถ้าเราทำบาปนี้ใจจะร้อนใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีร้อนมากร้อนน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่ว่าทำบาปหนักหรือทำหนักเบาบาปหนักหรือบาปเบาเช่นเดียวกับบุญบุญก็เหมือนกันสุขมากสุขน้อยเย็นมากเย็นน้อยก็อยู่กับการ ทำบุญว่าทำมากหรือทำน้อยทำบุญชนิดที่เบาหรือทำบุญที่ชนิดที่หนักผลมันก็เกิดต่างกันผลของบุญของบาปนี้มันเกิดขึ้นทันทีภายในจิตใจถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้จะไม่มองจะไม่เห็นกันเพราะเรามัวไปมองแต่ผลที่เราจะได้รับจากผู้อื่น เราทำบาปแล้วเราได้รับผลจากผู้อื่นหรือเปล่าเราทำบุญแล้วเราได้รับผลจากผู้อื่นหรือเปล่าเราไปมัวมองตรงนั้นเราเลยมองไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทำเลยคือความรู้สึกทางด้านจิตใจนะแล้วนอกจากผลที่เราได้รับในปัจจุบันนี้แล้วผลที่เราได้รับคือบุญและบาปนี้มันยังสะสมอยู่ในใจ จะเป็นผู้ที่จะมาตัดสินอนาคตของเราเวลาที่ร่างกายของเรานี้าตายไปแล้วจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายาจิตใจของเรานี่แหละจะไปสู่การเป็นอะไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญและบาปที่เราได้สะสมไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอาตายไป ใจของเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเราเรียกว่าดวงวิญญาณออกจากร่างกายแล้วก็ไปสวรรค์บ้างไปอบายบ้างขึ้นอยู่ว่าบุญหรือบาปมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกาลังมากกว่าบาปก็จะเดึงให้ไปรับผลบุญก่อนไปรับผลบุญถ้าทําบุญระดับเทพก็จะได้ไปเป็นเทพถ้าทําบุญระดับพรมก็จะได้ ไปรับผลของระดับพรมถ้าทำบุญระดับของพระอริยบุคคลก็จะไปรับผลของพระอริยบุคคลต่อไม่สูญหายไปไหนคือผลของบุญของบาปที่เราทำนี้มันติดอยู่กับใจของเราที่เราจะไปรับผลต่อ จะหมดก็ต่อเมื่อเราได้รับผลเหล่านั้นแล้วมันถึงจะหมดยกเว้นถ้าเป็นระดับของพระอริยบุคคลนี้จะไม่มีวันหมดเนี่ยจะไม่มีวันหายไปจากใจเป็นโสดาบันแล้วจะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนอีกเนี่ยแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนไม่ว่าจะเป็นระดับพรหมระดับเทพระดับมนุษย์หรือระดับเดฉานี่เราเอว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ บุคคลชนนี้ยังติดอยู่กับวัตถจักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎของกรรมและของไตายักตายรักก็คือยังมีการเสื่อมได้จเจริญแล้วก็เสื่อมได้เป็นพรหมแล้วก็เสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ถ้ากลับมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทําบุญไปทําบาป ก็จะเสื่อมลงไปจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปถึงนรกในที่สุดแต่ถ้ากลับมาเป็นมนุษย์แล้วกลับมาทำบุญใหม่ก็จะกลับขึ้นไปใหม่กลับขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมใหม่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลถ้าทำบุญต่อบุญของพระระดับของพระอริยบุคคลก็จะเลื่อนขั้นขึ้นต่อไปจากโสดาบันก็จะไปเป็นสกิทาคามี จากอนาคามีก็ไปจากสกิดาคามีก็ไปเป็นอนาคามีอนาคามีก็ไปเป็นพระอาหารหันต์ก็จะสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นเมื่อไปถึงขั้นของพระอาหารหันต์แล้วกฎแห่งกรรมกฎของตายลักก็ไม่สามารถเข้าไปถึงจิตใจของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าได้ก็จะไม่ถูกกฎแห่งกรรมฉุดลากให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป มีคือผลที่เกิดจากการกระทาที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราดังนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจนี้เราจะมองแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วเรามีายศระดับไหนแล้ว มีฐานะการเงินระดับไหนแล้วเราก็จะดูตรงนั้นเห็นแค่ตรงนั้นถ้าเรายังต้องการยศที่สูงกว่าถ้าเวลาราชาการยังมีเหลืออยู่เราก็พยายามไต่เต้าต่อไปถ้าเราเป็นผู้ทามาหากินทำการค้าถ้าเงินของเราตอนนี้อยู่ในระดับนี้ถ้าเราอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นก็เราก็ต้องขวนขวาย หาเงินหาทองเพิ่มขึ้นอันนี้ในส่วนทางร่างกายเราทําไปทําได้ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เหตุปัจจัยต่างๆบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่ไม่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยเมื่อมันถึงวาระของมันมันก็จะมีวันสิ้นสุดลงพอร่างกายตายไปสิ่งต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายนี้ ก็จะเป็นของคนอื่นไปเราคือใจเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ผลที่ได้จากทางร่างกายเป็นนายกจะเอานายกไปด้วยก็ไม่ได้จะเอานายกไปใช้ในชาติหน้าก็ไม่ได้เวลากลับมาเกิดชาติหน้าบอกฉันเคยเป็นนายกมาก่อนฉันขอมาเป็นนายกต่อไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลกลับมานี่ ยังสามารถกลับมาเป็นพระอริยบุคคลต่อได้เป็นอย่างอื่นก็ไปรับผลบุญผลบาปจนหมดถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาสร้างขึ้นมาใหม่สร้างเทพขึ้นมาใหม่สร้างพรหมขึ้นมาใหม่หรือถ้าทำบาปก็ไปเป็นไปสร้างเดรัจฉานสร้างอะไรกันไปใหม่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับ จิตใจของพวกเราที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันทุกเวลานับตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเวลาเราลืมตาขึ้นมานี่เราเริ่มทำกรรมแล้วมโนกรรมเริ่มปรากฏขึ้นมาก่อนคือความคิดต่างๆคิดจะไปทำอะไรดีคิดไปทำบุญหรือคิดไปทำบาปพวกที่มีอาชีพอัิยากรรมเขาแคคิดแต่เรื่องทาบาปตื่นขึ้นมาเขาต้องวางแผนแล้วว่า วันนี้จะไปขโมยเงินที่ไหนดีไปไปหลอกลวงใครที่ไหนดีเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาพวกที่ทำบุญก็จะคิดว่าวันนี้จะไปทำบุญที่ไหนดีช่วงนี้มีงานศพเยอะครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่ไปงานศพอาจารย์องนั้นองนี้หรือมีการฉลองโบสถ์ฉลองเจดียทด์ที่วัดนู่นที่วัดนี้ก็คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้ การจะทําอะไรนี้ต้องเกิดเริ่มที่ความคิดก่อนไม่ว่าจะทําบุญหรือทําบาปหรือไม่บันบุญไม่เป็นบาปนี่มันจะต้องเริ่มที่ความคิดก่อนพอคิดแล้วถึงจะสั่งให้ร่างกายทําตามความคิดได้ร่างกายนี้จึงเป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ในการที่ใจจะใช้ในการเอาไปทําบุญทําบาป หรือทำไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปผู้ที่รับผลบุญจึงคือใจร่างกายนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวรับผลบุญที่แท้จริงไม่ได้เป็นตัวที่รับผลบาปนี่คือถ้าเราจะทำบุญหรือทำบาปเราต้องมาคอยดูที่ความคิดของเรามโนกรรมเพราะมโนกรรมนี้จะนำให้เรา ไปทำบุญหรือทำบาปต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางสอนว่าให้เรามาดูที่จิตใจมาดูที่ความคิดของเรามาควบคุมความคิดของเราเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตเลยเนีย่จิตใจของเรามันจะคิดไปได้หลายทางบางทีก็คิดไปในทางทำบุญบางทีก็คิดไปในทางทำบาป อย่าถ้าเราดูใจของเราเราจะเห็นมันคิดว่าวันนี้จะไปทำบุญหรือไปทำบาปถ้าเรารู้ว่ามันจะไปทำบาปถ้าเราห้ามมันได้มันก็จะไม่ไปทำแต่บางทีเรารู้ว่าจะทำบาปแต่บางทีเราห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนว่ามันมีกำลังมากกว่าเรา เช่นคนที่ทำบาปจนเป็นนิสัยเช่นคนติดสุราดื่มสุราพอถึงเวลาก็คิดอยากจะดื่มสุราแต่ใจหนึ่งก็รู้ว่าดื่มสุราแล้วมันมีแต่ทำให้ชีวิตเราตกต่าถ้าดื่มมากๆติดสุรานี่ไม่ไปทำงานไม่มีรายได้จะมีแต่รายจ่ายแล้วต่อไปจะเดือดร้อนเวลาเงินทองไม่พอใช่ อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะไม่มีกำลังสู้กับความอยากสู้กับความคิดที่จะไปในทิศทางที่ไม่ดีนะดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนทิศทางของการความคิดของเราที่จะคิดให้เราไปในทางที่ไม่ดีเราต้องมาฝึกจิตใจมาหัดหยุดความคิดที่ไม่ดีกันออพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือ ให้พวกเรามาใช้ในการแก้ความคิดที่ไม่ดีต่างๆในคิดการคิดที่จะไปทําบาปการคิดที่จะไปทําอะไรที่จะทําให้เกิดความเสียหายหกับจิตใจนี้เราสามารถหยุดมันได้ถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติและปัญญานี่เองถ้าเรามาฝึกสติกันมหัดสร้างสติกัน เวลาคิดไม่ดีเราใช้สติหยุดมันได้แล้วถ้าอยากจะให้มันเลิกอย่างท้าวอนก็ใช้ปัญญามาสอนมันว่าการคิดแบบนี้ไม่ดีคิดแล้วจะนำไปสู่ความเสียหายเดือดร้อนต่อไปไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ได้จากการความคิดที่ไม่ดีนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันมี ปัญหามีโทษมีอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายสู้อย่าไปทํามันดีกว่าเช่นเดื่มชราเลือดเสพอบายามุขต่างๆเป็นต้นนการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเกลียดคร้านการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยเป็นการกระทําที่ สร้างความเสียหายให้แก่จิตใจและร่างกายแก่สถานภาพการเงินการทองเพราะอาบายามุกนี้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับแล้วถ้าไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายไม่ช้าก็เร็วก็จะไม่มีเงินที่จะไปใช้ตามความอยากก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีที่ไม่ชอบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมขึ้นมาได้น นี่คือความคิดที่จะมาสอนให้ใจที่คิดไปในทางที่ไม่ดีให้เลิกคิดไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าสอนแล้วมันยังไม่ยอมหยุดคิดแสดงว่าไม่มีสติไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดก็ต้องมาฝึกสติวิธีฝึกสติก็ต้องห้ามคิดหยุดคิดชั่วคราว คือแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มาคิดอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเช่นให้คิดถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เวลาที่เราคิดจะคิดไปในเรื่องที่ไม่ดีจะคิดไปเสพอบายามุกจะคิดไปทาบาป เราก็ต้องมาหัดใช้สติหยุดความคิดเหล่านี้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่ฝึกบริกรรมไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้พุโทโธมันจะใช้ไม่ออกเหมือนคนที่วิ่งคนถ้าไม่เอยวิ่งนี่พอจะให้วิ่งนี่วิ่งได้ไม่กี่เมตรก็หอบนะไม่มีกําลังที่จะวิ่งแต่ถ้าฝึกหัดวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งวันแล้ววิ่งทุกวัน แล้วก็เพิ่มระยะทางวิ่งไปต่อไปก็สามารถวิ่งได้ยาวได้ไกลก่อนที่วิ่งมาราทอนได้ไม่ใช่เพราะเขาเริ่มวิ่งปุ๊บเขาจะวิ่งมาราทอนได้เขาก็ต้องพยายามฝึกวิ่งไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะเอาแค่ห้าร้อยเมตรต่อมาก็เพิ่มเป็นกิโลหนึ่งต่อมาก็เพิ่มเป็นสองกิโลเพราะว่าเวลาเราฝึกหัดแล้วมันจะเพิ่มกาลังขึ้นมาเอง ใจก็เหมือนกับร่างกายพอเราฝึกหัดทําอะไรแล้วมันก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆแล้วอาจจะพุโทโธได้สองสามวินาทีแล้วก็หายไปละกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกละแต่ถ้าเราคอยควบคุ ม, มคบังคับให้มันกลับมาพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆถ้าจะคิดก็ให้มันคิดแต่เรื่องที่จําเป็นต้องคิดเตอนนั้นถ้าเรื่องที่ไม่จําเป็นอย่าต้องคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิด บังคับให้มันกลับมาพุโทโธพุโทโธไปถึงแม้ว่าเรื่องที่คิดยังไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายก็ตามแต่ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงชีพของเราก็คิดไปเช่นคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องธรรมาหากินแต่ถ้าไปคิดเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันหรือคิดเรื่องไปทำบาปเรื่องไปเสบบายยมุขนี้ก็อย่าให้มันคิด พยายามใช้พุโทโธหยุดมันเราฝึกสติได้ทั้งวันไม่ใช่มาฝึกสติตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเราควรจะฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา หนึ่งตาขึ้นมาก็ควรที่จะหยุดความคิดด้วยพุโทโธก็ได้หรือด้วยการบังคับให้มันจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายคําทังอะไรก็ให้จดจ่ออยู่ดูอยู่กับการกระทําของร่างกายมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยนี้เป็นวิธีฝึกสติพอต่อไปเรามีสติเรามีกําลังนะพอเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็สั่งมันหยุดคิดได้ พอคิดจะไปเสพอบายามุขไปดื่มสุราก็สั่งให้มันหยุดคิดพอมันหยุดคิดปั๊บมันก็จะไม่ไปดื่มสุราพอเราสั่งให้มันหยุดคิดไปดื่มสุราได้แล้วขั้นต่อไปเราก็สอนมันด้วยปัญญาว่าการดื่มสุรานี้มันมีโทษมากกว่ามีคุณความสุขที่ได้ได้ปั๊บเดียวแล้วก็หมดไปแต่โทษที่มันมีตามมานี้มีหลายทางด้วยกัน โทษทางร่างกายก็ทำให้ร่างกายสุขภาพไม่ดีเสี่ยงต่อเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆโทษทางจิตใจก็ทำให้ไม่มีสติทำให้มืนเมาไม่สามารถทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้โทษทางการเงินการทองก็ทำให้มีแต่เสียเงินทองเสียเวลาที่จะเอาเวลามีค่าไปทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ถ้าใช้ปัญญาสอนใจต่อไปมันก็จะไม่อยากดื่มสลาไม่อยากเสพบ า, บายอย่างมุกอั น, นี้คือขั้นตอนของการที่เราจะมาเปลี่ยนวิถีความคิดของเราถ้าวิถีความคิดของเราคิดไปในทางทำบาปเราต้องมาหยุดมันแล้วก็มาสอนว่าการไปทางนี้ไม่ดีอันนี้เป็นขั้นต้นคือระงับ การไปทำบาปก่อนแต่การละนับทำบาปนี้ก็ยังเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานที่เราต้องทำเพราะการละนับการทำบาปนี้ก็เป็นเพียงแต่ละนับการเสื่อมของจิตใจละงับการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจให้มันน้อยลงไปหลือให้มันหมดไปแต่มันยังมีการกระทำอย่างอื่นที่ยังสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราอยู่ที่เราต้องมาจัดการต่อไป ก็คือการความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจความอยากที่ทำแต่ไม่ได้ไปทำบาปแต่มันก็ยังเป็นโทษต่อจิตใจเช่นความอยากคาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยากามีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้มันก็ยังจะมาสร้างความทุกข์และอาจจะดึงใจให้เราไป ทำในสิ่งที่จะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมากําจัดความอยากทั้งสามประการนี่คือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะ ต, หาตัวที่คอยฉุดลากให้เรามาติดอยู่ในตายภพนี่กามตัณหาก็จะติดในกามภพภาวะตัณหาก็จะติดในรูปภพ วิภาวะตันหาก็จะติดอยู่ในอรูปภพนะถ้าเราไม่กำจัดตันหาทั้งสามนี้ใจของเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในภพเหล่านี้ถ้ายังติดยังมีกามะตันหาอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดในกามภพกามภพก็ภพของมนุษย์ของเทวดาของเดรชาสของเปรตของอสุ ร, รกายของนรกนี่แบ่งเป็นสองซีกถ้าทำ ทำบาปตามความอยากก็จะไปเกิดในที่ของอบายถ้าทำตามความอยากแต่ไม่ได้ไปทำบาปก็จะไปเกิดในที่ของเทวดาอันนี้ต้องต้องหยุดกราร ม, มาตัญหาให้ได้ถ้าหยุดกา ม, มาตัญหาได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด พวกที่พยายามหยุดกามาตนะหาก็คือพวกนักบวชทั้งหลายพวกนักบวชเข้ามาถือศีลในขมมากันในขมมากมมคือการออกจากกามการไม่เสพกามเรียกว่าในขมมากคือถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เสพกามกันถ้าถือศีลห้านี้ยังเสพกามได้แต่ไม่ให้ทำบาป ถือศีลหาได้ก็ไม่ไปอบายแต่ไม่สามารถไปสู่พบที่สูงกว่ามนุษย์ได้ถ้าอยากจะไปสูงกว่าพบของมนุษย์ต้องทาบุญแล้วก็ต้องมาหยุดใจมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถึงจะออกจากการมาพบได้ต้องไม่เสพกรรมถือศีลแปะแล้วก็มาฝึกจิตใจทำให้จิตใจให้สงบ เพราะถ้าถือศีลแปดแล้วใจไม่สงบมันจะทุกข์มากเพราะมันจะต้องต่อสู้กับความอยากอยู่เรื่อยๆเราต้องมีสมาธิมาช่วยบรรเทาความทุกข์ถ้าใจสงบแล้วการถือศีลแปดนี้จะไม่ทุกข์ไม่ทารมานใจแต่ถ้าใจไม่สงบนี้เดี๋ยวมันคิดถึงความอยากขึ้นมาเพราะการถือศีลนี้ไม่ได้ไปห้ามความคิด ในทางกามได้ห้ามได้แต่การกระทำทางกายทางวาจาเท่านั้นแต่ทางใจมันยังคิดไปหากามมัสุขได้พอมันไปคิดหาความามั่สุขมันก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาได้ก็ผู้ที่ถือศีลแปลพวกที่เป็นนักบวชจึงนอกจากถือศีลแล้วต้องมาฝึกสมาธิฝึกจิตทำจิตใจให้สงบ ถ้าจิตใจให้สงบก็จะพออยู่ได้พอถือศีลอยู่แบบไม่เสพกามได้เพราะมีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนความสุขที่ได้จากการเสพกามคือความสุขที่ได้จากความสงบแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมได้ถ้าผู้ยังเสพความสุขจากความสงบนี้อยู่ ก็ยังทำให้ติดอยู่ในกรมอยู่ในรูปะพบอรูปะพบได้อยู่ความสงบนี้ก็มีสองระดับระดับรูปะพบก็รูปฌานระดับอรูปะพบก็ผู้ที่ได้อรูปฌานรูปฌานหรอรูปฌานก็ไม่เที่ยมมีเจริญมีเสื่อมได้ถ้าอยากจะไม่มาติดอยู่กับรูปะพบกับอรูปะพบ เมื่อได้ถึงระดับรูปประชานะรูปประชานะทีนี้ก็ต้องมาใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางการยึดติดกับความสุขของรูปประชานะรูปประชานให้อยู่กับความไม่มีความอยากดีที่สุดเพราะเมื่อไม่มีความอยากใจจะสงบอย่างถาวรใจจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจ เ, เสื่อมสิ่งที่มาทำให้ใจเสื่อมก็คือความอยากนี่เอง พอเกิดความอยากใจก็จะร้อนขึ้นมาถ้าต้องการให้หยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรูปรชาหรืออรูปรชานนี่มันก็ไม่เที่ยงมันสงบเวลามันสงบมันก็ให้ความสุขเวลามันเสื่อมมันก็ความสุขที่ได้ก็หายไปพออยากได้มันมันก็ต้องทำให้เราไปสร้างมันขึ้นมาใหม่ สร้างขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เสื่อมเหมือนเดิมถ้าไม่อยากที่จะต้องมาทําอย่างนี้ก็อยากไปหาความสุขจากรูปปัจจานารูปปัจจานให้ตัดความอยากเสียพอตัดความอยากได้ใจก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่กับความว่างได้อยู่กับความอยู่กับไม่มีอะไรได้ไม่ต้องเสพอะไรทั้งหมดเพราะปล่อยวางได้กาม กามาคุณห้าก็ปล่อยมาได้แล้วแต่มาติดกับรูปประชานารูปประชานก็ต้องไป่อรูปประชานารูปประชานพอปล่อยได้แล้วทีนี้มันก็ว่างแล้วมันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจใจไม่มีความอยากก็ใจก็จะสงบตลอดเวลาอันนี้เป็นความสงบแบบแท้จริงแบบไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสงบของพระอารหรันต์ เป็นความสงบของพระนิผานนี่นี่คือการพัฒนาหรือการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกรรมที่ที่สูงสุดคือระดับการภาวนานี่ระดับการชำระจิตใจด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศสองรอยิบเจ็ดแล้วก็มา จเจริญปัญญามาจเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิขั้นต่างๆพอได้แล้วก็สอนให้ใจปล่อยวางาแม้แต่ทั้งสมาธิที่ได้มาก็ต้องปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับสมาธิพอถ้ายึดและติดอยู่ก็ยังติดอยู่ในตายพบอยู่ถ้ายังมีความอยากหาความสุขจากความสงบอยู่ก็ยังจะมีความทุกข์อยู่เพราะความสงบมันไม่เป็นความสงบที่ถาวร เพราะยังมีความอยากมาคอยทำให้มันหายไปเพรนต้องคอยกำจัดความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจความอยากในรูปประชานความอยากในอรูปประชานนี้เป็นต้นถ้ากำจัดความอยากที่เหลืออยู่ในใจให้หมดไปได้ใจก็จะว่างจากความอยากใจก็จะสงบไปโดยอัตโนมัติสงบโดยโดยธรรมชาติของใจใจที่ไม่สงบเพราะยังมีความอยากอยู่ พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็จะสงบไปตลอดไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมันจะสงบของมันไปเองอันนี้เป็นความสงบขั้นสูงสุดเป็นความสงบที่แท้จริงที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเนี่ยเรียกว่านิบานังประมังสุ ข, ขังนิบานังประมังสุญญงสุญญ์ก็ว่างจากความอยากทั้งปวงนั่นเองอนนี้คือ การกระทำที่มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราคือการกระทาบุญการกระทาบาปและการชำระจิตใจซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือการกระทำสามอย่างด้วยกันที่มีผลกระทบต่อจิตใจไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่ได้ทำให้ร่างกายมีเงินมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นอะไรทานองนี้ อันนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรงเกี่ยวข้องกับความสุขของจิตใจเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของจิตใจเนี่ยทานผู้ปฏิบัติต้องศึกษาธรรมะถึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มีผลเกิดขึ้นได้ทั้งกับทางร่างกายและทางจิตใจแต่เป็นการกระทําที่ไม่เหมือนกัน ผลที่ได้รับก็จะไม่เหมือนกันเราจะได้รู้ว่าคนจะทําทกรรมทางไหนดีกว่าถ้ากรรมทำกรรมทางร่างกายก็จะได้ประโยชน์ชั่วคราวได้ประโยชน์ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่แต่พอร่างกายตายไปประโยชน์ทางร่างกายก็จะหมดไปถ้าทําทางประโยชน์ทางจิตใจก็จะไม่มีวันหมดเพราะจิตใจไม่มีวันตาย ถ้าทํำถึงระดับที่ไม่เสื่อมไม่หมดมันก็จะไม่เสื่อมไม่หมดถ้ายังอยู่ในระดับที่เสื่อมได้หมดได้มันก็ยังเสื่อมได้หมดได้อยูอ่นี่คือผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดคือการกระทําของเรานี่แหละที่ทําให้เราเป็นอะไรต่างๆทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาธรรมะเหล่านี้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง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 จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตตันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ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 วันนี้ทาง f a c e b o o สา8ร้อย t ปดสิบเจ็ดยูหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังบนเขาสามสิบห้ารวมทั้งสิ้นหกร้อยสิบเอ็ดท่านค่ะใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้นะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่ข้อความส่งเข้ามาก็ได้เขียนใส่กระดาษหมอมีอะไรอยากจะถามไหมออ่ ส่งมากรโผนให้หมอหน่ยครับกรับน้ำมศการครับที่ ท, ท่านบอกว่าไอ้กรรมก็เกิดจากพวกมโนกรรมแล้วพวกใจที่เราหลงเป็นมันก็ออกมาทางสังขารใช่ไหมครับแล้วพระอริยะที่ท่านคือความห <ใจ S 2> ลงหความหลงนี่คือความเห็นไงความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วก็เรียกว่าหลง ค, ความเห็นที่ตรงกับความจริงก็เรียกว่าปัญญาหรือสัมมาทิฐิครับ นี่บางทีคนเรามันไปไม่เห็นเห็นของที่ไม่ตรงกับความจริงเช่นสมัยก่อนคนเห็นว่าโลกนี้แบนนะครับมันเป็นความเห็นตามความรู้สึกไม่ได้เป็นความเห็นตามความเป็นจริงครับมันก็ทําให้ไปคิดไปทําในทางที่มันหลงตามความหลงไปนี่เราถ้ามีความหลงเราก็ต้องมาศึกษากันเราจะได้เรียนรู้ว่าความเป็นจริงเป็นยังไง พอเรามีความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงเราก็คิดจะทําอะไรที่มันเกิดผลตามความเป็นจริงได้ครับดังนั้นการมาฟังเทศฟังธรรมด้วยการไปเรียนหนุงเสอนี่ก็ไปไปศึกษาความจริงกันนะทางแพทย์ก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครัทางธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตใจครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ออืการปฏิบัติเจ้าเพื่อจะให้ให้เกิดความสุขและกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนั่นเองครับครับผม อ, อนะเข้าใจนะเข้าใจครับเออ่ออองกลับไป คำถามจากคุณปอคะ่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราทําคุณงามความดีกับใครแล้วไม่มีผลอะไรตอบสนองเลยเป็นผลของกรรมเก่าของเราหรือไม่อย่างไรครับไม่มีผลต่อทางสมองไม่มีผลอะไรตอบสนองเลยตอบสนองค่ะมันมีแต่เรามองไม่เห็นไงเพราะเราไปมองผิดที่ เวลาเราทำความดีนี่ผลมันเกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้าเราทำความดีเพื่อผลตอบแทนมันก็ไม่ถือว่าเป็นการทำความดีแล้วเพราะมันเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเราก็จะไปมองผลรับที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราทำด้วยเช่นเราทำดีกับเขาเราอยากจะให้เขาขอบคุณเราอยากจะให้เขาช่วยเหลือเราหรืออะไรทนานองนี้ เขาอาจจะทำก็ได้เขาอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะไม่มีอะไรไปบังคับให้เขาต้องทำนะงั้นการทำนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำความดีหรือเป็นบุญอาจจะเป็นการทำความดีแต่ไม่เป็นบุญเพราะว่าเราไปมีความยึดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากผู้ที่เราอยากจากการกระทำความดีของเราถ้าจะให้เป็นบุญนี้ต้องทำโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครั้งนั้น เช่นใส่บาตรพระนี่เราไม่ได้ไปหวังให้พระมาทำอะไรให้เราเราต้องการเลี้ยงให้พระท่านมีอาหารกินพอเราทำแล้วใจเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาหรือเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนที่ก็ตกต ก, ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราเห็นว่าเขาได้ได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็มีความสุขใจขึ้นมาอันนั้นหละคือบุญเพราะเราไม่ได้หวังอะไร เป็นสิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราให้ความช่วยเหลือด้วยถ้าเราไปหวังนี้เป็นเหมือนการไปลงทุนเราไปทำความดีเพื่อหวังว่าเขาจะเห็นความดีของเราแล้วเขาอาจจะให้ผลให้ประโยชน์กับเราแต่เขาอาจจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่มีอะไรไปบังคับเขา คำถามต่อไปจากคุณปราโมทค่ะกราบเรียนถามหลวงพ่อครับในทางโลกผมรู้สึกถึงภัยจากกายวาจาใจมีมากเหลือเกินและบ่อยครั้งที่หลงแต่เมื่อฟังธรรมบ่อยๆเมื่อถูกกระทบจากกายวาจาใจทำให้ยับยั้งได้นี่เรียกว่าบุญได้ไหมครับแล้วแผ่เมตตาให้ตนเองแบบนี้ทำบ่อยๆได้ไหมครับ คือการแผ่เมตตาให้กับตนเองก็คือการทําความดีนี่แหละเป็นการแผ่เมตตาเพราะการทําความดีทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือการแผ่เมตตาให้กับเราด้วยการทําความดีต่างๆด้วยการทําบุญต่างๆทําบุญโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากใครมันก็จะทําให้ใจเราสุขใจเราสบายไม่หิวโหวย และเวลามีอะไรมากระทบกับจิตใจใจก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกกับสิ่งที่มากระทบเพราะใจไม่ได้มีมีความหวังอะไรกับสิ่งที่มากระทบถ้าเรามีความหวังกับสิ่งที่มากระทบพอมันมากระทบในทางที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่หวังอะไรจากสิ่งที่มากระทบมันก็จะทำให้เรารู้สึกเฉยเฉยนี่คือเรื่องของผลที่เกิดจากการทาความดีต่าง เพราะการทำความดีทำบุญนี้เราไม่หวังอะไรจากใครทั้งนั้นแต่เรารู้ว่าทําแล้วมันจะมีผลประโยชน์กับจิตใจของเราในตัวทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมามแล้วแต่ทาให้เราไม่หิวโหยกับกะกับสิ่งต่างๆเวลาไม่มีหรือมีล้วก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอ คำถามต่อไปจะคุณสุปราณีค่ะถ้าเราสวดมนต์เสร็จเราสามารถแผ่เมตตาให้กับผู้ลงลับไปแล้วหลายๆคนได้หรือเปล่าคะและสามารถขอพรให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยได้ไหมคะคือเรามักจะใช้คําพูดผิดกันเนี่ยคําว่าเมตตากับการอุทิศบุญนี่มันคนละเรื่องกันการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ให้กับคนที่เราพบปะกัน ไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดไปในใจว่าขอให้คนนั้นมีความสุขขอให้คนนี้มีความสุขอันนี้เป็นเพลงความปรารถนาไม่ใช่เป็นการแผ่การแผ่เมตตาต้องเวลาที่เราพบปะกันพบปะคนนั้นคนนี้ทำให้เขามีความสุขสิยิ้มให้เขาสิทักทายเขาหรือมีขนมมีของฝากอะไรก็มาให้เขาสิอย่างนี้นะก็จะเกิดความสุขขึ้นมา หรือเวลาที่เขาทำอะไรให้เราเสียใจเราก็ให้อภัยเขาไปอย่าไปถือโทษกดเครื่องเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่แผ่ในขณะหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาหรือมากระทั่งการอุทิศกุศลก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราอุทิศกันจากการปฏิบัต ศีลจะสมาธิหรือรักษาศีลการอุทิศบุญนี้ต้องอุทิศด้วยการทําทานซื้อข้าวของไปถวายพระหรือบริจาคเงินให้กับโงรงพยาบาลโรงเรียนอันนั้นจะเกิดขึ้นเกิดบุญขึ้นมาทันทีที่เราสามารถอุทิศได้ทันทีแต่บุญอุทิศที่เราจะอุทิศให้แก่ผู้รองนับจากการนั่งสมาธิหรือจากการรักษาศีล น, นี้มันยังไม่สมบูรณ์แล้วมัน มันไม่ใช่เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าสอนให้ออกไปอุทิศเนี่พยพระเจ้าสอนให้อุทิศบุญด้วยการทําทานเี่ยซื้อข้าวซื้อของบริจาคให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาภายในใจดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตาหรือการอุทิศบุญนี้ไม่ใช่ไม่ทําตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วเพราะมันไม่มีผล บุญที่เราได้จากการแผ่การสวดมนต์การนั่งสมาธินี้มันยังน้อยมากยังไม่พอที่จะยาไสเราเลยแลวจะไปแบ่งให้คนอื่นกินได้ยังไงนี่เราทำเพื่อใจของเราเวลาเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราไม่ได้ทำให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วสำหรับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนี่เราทำด้วยการไปทำบุญทาทานเมืงานทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทาบุญทาทาน แล้วก็เอาบุญนั้นแหละอุทิศให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วเห็นขอให้เข้าใจนะพวกที่ชอบถามด้วยสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วแผ่เมตตาได้หรือไม่อุทิศบุญได้หรือไม่มันไม่ได้หลอกบุญเหล่านี้ยังไม่มีเมตตาต้องแผ่ด้วยการเวลาที่พกปะกันอุทิศบุญต้องอุทิศด้วยบุญที่เกิดจากการทาทำทานเนะี่ย คำถามต่อไปค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิเราจำเป็นต้องภาวนาพุทโทธตลอดหรือไม่คะก็แล้วแต่ว่ามัน คุณคุณ ม, มันถามคาว่าจาเป็นแล้วไม่อยากจะตอบเพราะมันบางคนก็จำเป็นบางคนก็ไม่จำเป็นคนบางคนเขาไม่ต้องใช้พุทธโธเขาก็ทำให้ใจให้สงบได้เขาดูลมหายใจแทงก็สงบได้บางคนเพียงแต่คอยสั่งให้จิตหยุดคิดมันหยุดคิดได้มันก็สงบได้เพราะฉะนั้นการบริการพุทธโธก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำจิตให้สงบ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีอื่นก็เราก็ต้องใช้พุทโธไปบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าจิตจะสงบเหมือนการรับประทานอาหารกินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มพออิ่มแล้วมันกินไม่ลงมันก็รู้เองว่ากินไหมมันก็พอการบริกรรมพุทโธไปก็เหมือนกันถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่อิ่มก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆพอมันอิ่มมันสงบแล้วมันก็ไม่พุทโธเองมันจะรู้เองเป็นสันทติโก แต่เวลานั่งสมาธิจำเป็นจะต้องมีสติแบบใดแบบหนึ่งคอยกากับใจถ้าไม่มีสติเดี๋ยวใจมันจะแหวกแหวกแนวมันจะสร้างอาการอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้เห็นเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆต้องนั่งแล้วต้องมีสติควบคุมใจจะดูลมหายใจก็ได้เป็นสติแบบหนึ่งจะบริกรรมพุทโธก็ได้ หรือถ้ามีสติกำลังสูงมีกำลังมากไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมเพียงแต่ดูความคิดให้มันหยุดคิดให้ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันคําำถามต่อไปจากคุณตือค่ะอยากทราบว่าอัปปนาสมาธิกับฌานสี่สภาพจิตเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันนั่นแหละ ถ้าจิตเป็นสมาธิก็แสดงว่าเข้าถึงฌานสี่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามนี่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิเต็มเต็มรูปแบบคำถามต่อไปจากคุณวจนาค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ติดสุรานี้ถือว่าเขามีวิบากกรรมไหมเจ้าค ะ, ะติดก็เพราะกินมากินมาเรื่อยๆมันก็ติดนี่วิบากก็คือ ผลที่เกิดจากการดื่มโซดาจนเป็นนิสัยขึ้นมามันก็เลยติดถ้าไม่ดื่มเป็นนิสัยมันก็ไม่ติดเช่นดินตามโอกาสเช่นงานทีปีหนนวันปีใหม่ฉลองสักแก้วหนึ่งวันเกิดหรือ ง, งานอะไรที่เขามีให้ดื่มบ้างถ้าดื่มแบบนี้มันก็ไม่ติดเพราะมันมีโอกาสมีเหตุให้ดื่มพอไม่มีเหตุให้ดื่มมันก็ไม่ดื่มแต่ถ้าดื่มเพราะ เป็นนิสัยถึงเวลาต้องดื่มหกโมงเย็ยนแล้วเลิกทํา ง, งานแล้วต้องผ่อนคลายเดื่มพอดื่มวันนี้เดี๋ยวพวกนี้มันก็ดื่มต่ออย่นมันก็จะติดเป็นนิสัยพอดื่มอะไรเป็นนิสัยมันก็จะมากมากแล้วมันก็จะเกิดโทษมันจะติดจะเลิกก็ยากคําถามต่อไปจากคุณประธานพอค่ะบริกรรมพุทโธในใจแล้วอยู่ตรงไหนของร่างกายครับ บริกรรมพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธนะอย่าไปอยู่ที่ไหนอยู่กับคำบริกรรมคําำถามต่อไปค่ะปัจจุบันคุณแม่อายุ 65, 85มีโรคเบาหวานที่หมอนัดทุกสามเดือนและท่านเริ่มหลงลืมไม่ยอมไปหาหมอลูกต้องเจาะเลือดปลายนิ้วไปให้คุณหมอเพื่อรับยาอยากทราบว่าจะเป็นบาปไหมครับที่เจาะเลือดที่ปลายนิ้วท่านค่ ะ, ะไม่บาปหรอกเป็นการดูแลรักษาท่านคาถามจากคุณรุ รุจีค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อมีคนมาพูดแล้วเรารู้สึกไม่ถูกใจควรทำอย่างไรคะก็ทำใจปล่อยเขาพูดไปเราห้ามปากเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราก็ห้ามใจเราอย่าไปรู้สึกเสียใจแต่เราไปห้ามปากเขาไม่ได้ยิ่งอยากห้ามยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะว่าห้ามแล้วไม่ไม่ได้ดังใจอยากก็จะยิ่งเสียใจ เห็นราอย่าไปแก้ที่คนอื่นต้องแก้ที่ใจเราใจเราเสียใจเพราะความอยากไม่ให้เขาพูดไม่ดีกับเราแต่เราไปบังคับให้เขาไม่ให้พูดไม่ดีไม่ได้เราก็ต้องมาห้ามใจเราอย่าไปอยากให้เขาพูดไม่ดีปล่อยเขาพูดไปตามความต้องการของเขาแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจคำถามต่อไปจากคุณจีนค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิเราต้องนั่งด้วยท่าขัดสมาธ ตลอดหรือไม่คะนั่งท่าอื่นได้หรือไม่คะเพราะตอนนี้ตั้งคันอยู่ถึงนั่งขัดสมาธิไม่ถนัดเท่าไหรค่ค่ะถ้านั่งไม่ได้ก็นั่งท่าอื่นได้ถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็เป็นท่าที่ดีที่สุดสําหรับการนั่งสมาธิคําถามต่อไปจากคุณมลินดาค่ะกราบขอโอกาสครับผมไม่ค่อยเข้าใจอินทรี่ห้าพละห้าครับรวมแล้วเป็นสิบแล้วทําไมเห็นมีเขียนไว้แค่ห้าเองครับ อินทรีห้าก็คือคุณธรรมที่มีในจิตใจของพวกเราคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความขยันหมั่นเพียรสามสติความรับรู้สี่สมาธิความตั้งมั่นห้าปัญญาความฉลาดอันนี้มีอยู่สองระดับระดับอินทรีกับระดับพระ ระดับเอนีนี้ก็เปลี่ยบเป็นระดับของเด็กทารกนะยังล้มลุกคุกคานอยู่ขึ้นขึ้ น, นลงลงระดับพร ะ, ะนี้เป็นเรียกว่าระดับของผู้ใหญ่ระดับที่เสถียรที่ไม่ไม่เสื่อมเป็นระดับที่มีกําลังมากพ ร, ะ, พร ะ, ะนี้จะเหมาะกับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลจะเป็นของพระอริยบุคคลกันจะมีพระห้า แต่ผู้บุตรชนนี้จะมีก็มีอินทรีห้าคือตัวเดียวกันแต่มีกําลังหรือมีความเจริญเติบโตไม่เท่ากันเปรียบเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่อินทรีย์นี้เป็นเหมือนเด็กพร ะ, ะนี้เป็นเหมือนผู้ใหญ่ถ้าเปรียบเทียบทางจิตใจก็อินทรีย์ก็ของปุถุชนพร ะ, ะก็เป็นของพระอริยบุคคลนะ คำถามต่อไปจากคุณวิโรธค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าจิตไปยึดขันห้าใช่ไหมครับจิตจะเรียกว่าจิตไปยึดขันห้าก็ได้เพราะจิตหลงไปคิดว่าขันห้าเป็นแหล่งของความสุขนั่นเองก็เลยอยากจะมีขันห้ามาใช้เป็นผู้ผลิตความสุขให้กับจิตแต่ความจริงตามหลักที่พระเจ้าได้ทรงตัดสโลขันห้านี้มันเป็นทุกข เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถควบคุมให้มันผลิตความสุขให้กับเราเพียงอย่างเดียวบางเวลามันก็ผลิตความทุกข์ให้กับเราได้งั้นอย่าไปยึดไปติดในขันห้าปล่อยวางขันห้าอย่าไปยุ่งกับขันห้าพูดง่ายๆเป็นเหมือนยาเสพติดอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็จะปลอดภัยถ้าไปยุ่งกับยาเสพติดก็จะต้องทุกข์ต้องทรมานใจ คำถามต่อไปจากคุณเจริญค่ะกร่าวพระอาจารย์ครับเวลานอนภาวนาจิตไม่ค่อยนิ่งเหมือนตอนนั่งเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะที่สติของเราต้อนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่สติถ้ามีสติมันก็จะนิ่งถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่นิ่งเคําถามต่อไปจากคุณพระชรวัตรค่ะ เวลานั่งนานๆแล้วเวทนาเข้าหนักๆเราต้องพยายามยึดคำบริกรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถึงจะผ่านเวทนาได้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ในการที่เราจะผ่านเวทนาถ้าเรามีสติบริกรรมไปทีๆอย่าไปส่งจิตให้ไปคิดถึงเวทนาความอยากให้เวทนาหายมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาพอไม่เกิดความอยากให้เวทนาหายความทรมานใจก็จะไม่เกิด ก็ทำให้เรารู้สึกสบายกับการนั่งโดยที่ไม่รู้สึกสะเทือนใจไปกับความเจ็บของทางร่างกายแต่มันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นต้องแก้แบบนี้ทุกครั้งเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเราอยากจะแก้แบบถาวรเราก็ต้องแก้ด้วยระดับปัญญา คือเราต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนขั้นสติก่อนพอเราแก้ปัญหาขั้นสติได้ขั้นต่อไปเราจะมีกําลังที่จะมาใช้ปัญญาพิจารณาแยกเวทนาออกจากใจพิจารณาถึงโทษของการไปติดกับเวทนาว่ามันทำให้เป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตัวเวทนาเองไม่ได้ทำให้เราทุกข์ แต่ตัวใจที่ไปรักไปชังไปชังเวทนานี้ที่ทำให้เราทุกข์เราต้องมาสอนใจว่าเราไม่ควรที่จะไปรักไปชังเวทนาเช่นอย่าไปรักสุขเวทนาอย่าไปชังทุกขเวทนาเพราะมันจะทำให้เกิดความอยากตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาแล้วมันจะทำให้ใจทุกข์จะอยู่กับเวทนาไม่ได้ เนั้นแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยๆให้รับรู้ว่าเวทนาเป็นตายรักเป็นอนิจจังมีเกิดมีดับมีมามีไปเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขามาหรือไปอยากให้เขาไปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็ขั้นปัญญาสอนให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเราเวลาที่เราเจอทุกเขเวทนาก็เพราะเราไปอยากให้เขาหายไป แต่เราไปให้สั่งให้เขาหายไม่ได้เฉนถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้รับมันเหมือนกับรับสุ ข, ขเวทนาถ้าเรารับสุขเวทนาได้เราก็ต้องรับทุกขเวทนาได้ถ้าเรามีอุเบกขามีใจที่มีอุเบกขาเราก็จะรับได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าใจเราไม่มีอุเบกขาเมื่อไหร่ใจของเราก็จะมีอคติไปรักไปชังเวทนาทั้งสองแบบนี่ ก็จะทำให้เราทรมานใจทุกข์ขึ้นม า, างั้นเราต้องมีสติขั้นระดับที่ทำให้จิตเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนคือต้องผ่านเวทนาด้วยสติก่อนพอผ่านเวทนาด้วยสติจิตก็จะมีอุเบกขา พอมีอุเบกขาเราก็จะเอาอุเบกขานี้มารับกับทุกขเวทนาได้ด้วยปัญญาที่สอนให้เราว่าอยากไปอยากให้ทุกขเวทนาเนี่ยมันหายไปอย่าไปจัดการกับเวทนาพูดง่ายๆไวยให้เวทนาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราอยู่กับเขาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะสุขหรือทุกขเวทนาถ้าเรามีปัญญามีอุเบกขา คำถามต่อไปจากคุณชุติมาค่ะกราบเรียนเจ้าค่ะเราจเจริญสติจะเห็นจะตามเห็นความคิดเกิดขึ้นและรู้ทันความคิดดับอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆหรือเจ้าคะอ๋อต้องให้มันดับแบบไม่คิดเลยถ้าคิดแล้วดับดับแล้วคิดก็ยังไม่ไม่ไม่ดีพอต้องให้มันไม่คิดเลย ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิได้ถ้ามันยังดูปั๊บพอดูปั๊บมันก็หยุดคิดพอเราไม่ดูปั๊บมันก็กลับมาคิดใหม่อย่างนี้ก็ได้ประโยชน์นิดเดียวต้องเอามันหยุดคิดตัวอย่างต่อเนื่องเลยให้มันไม่คิดทีห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยจิตถึงจะสงบได้จะให้มันเป็นหยุดคิดแบบนี้ได้ต้องมีบริกรรมหรือมีอะไรจุด ไว้เป็นตัวผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธมันถึงจะทําให้หยุดคิดได้ยาวหยุดคิดจนกทั้งมันสงบพอมันสงบแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับมันเพราะมันหยุดคิดมันนิ่งมันไม่คิดแล้วไม่ต้องไปบังคับมันไม่ให้มันคิดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทํำงั้นยานดูจิตดูความคิดอย่างเดียวไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าดูแล้วมันยังคิดอยู่เรื่อยๆ พอเราดูมันมันก็หยุดพอเราไม่ดูมันก็คิดอย่างนี้สแสดงว่าอย่างใช่ไม่ได้ต้องดูแบบใหม้มันคิดไปห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยถึงจะนิ่งสงบได้เป็นสมาธิขึ้นมาได้คําถามต่อจากคุณเมลินดาค่ะตัวรู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์นี้ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมครับตัวรู้ก็ตัวรู้เนี่ยไม่มีคําว่าเราในทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าเรานี่เกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งปรุ ง, แ ต, งแต่งขึ้นมาเองเหมือนกับ คิดว่าโลกนี้แบนเนี่ยมันก็โลกมันไม่แบนเนี่ยเราไปคิดว่ามันแบนเองตัวตนมันไม่มีเราไปคิดว่ามันมีตัวตนฉทนั้นเองมันความคิดตัวตนเกิดจากความคิดเกิดจากความหลงคำถามต่อไปจากคุณสมจิตคะ่ะอยากเรียนถามว่าเวลาสวดมนต์ให้พระแล้วเราจะท่องคาถามเมตตาและเรียกทรัพย์จะเป็นบาปไหมคะสวดมนต์ให้พระแล้วก็จะ สวมน์ไหวพระส่วดมนตขอโทษค่าสวมนไหว้พ ร, พระแล้วเราจะท่องคาถาเมตตาและเรียกทรัพย์จะเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกแต่มันไม่ได้หรอกการสวดมนต์ไหว้พระให้เราได้สติให้เราได้ความสงบแต่อยากได้เงินได้ทองไปทํางานดีกว่าอย่ามานั่งเฉยๆเลยรีบไปทํางานทําการแล้วดูเศรษฐีเขารวยเพราะอะไรเขามานั่งไหว้พระขอนน่นขอนี้นนนรู้ปะ เขามีแต่ทํางานร้อยปีหนึ่งหยุดสามวันเขาถึงจะได้เงินได้ทองไปดูพวกเศรษฐีดูเขาหยุดแค่ตุนจีนเท่านั้นแหละมันถ้าไม่ใช่ตุนจีนนี้เป็นวันทํางานของเขาตลอดเวลาว่าเวลาของเขานี่เป็นเวลาหางเงินไม่ใช่เวลามานั่งไหว้พระสวดมนต์เขาไม่ไหว้พระสวดมนต์หรอกพวกนี้เราไปถามเขดูเขาถึงรวยนะพวกที่ไหว้พระสวดมนต์นี้สวดไปางานไม่มีวันรวยหรอกเพราะไม่ไปหางเงิน งั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้จะให้ผลอย่างไรถ้าอยากถ้าอยากจะได้เงินก็ไปทำงานเถิดไปหาเงินอย่ามาไหว้พระสวดมนต์เลช่วงนี้คํารรมหมดเล้นะอ่ามันทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลปลูกกล้วยมันก็ต้องได้กล้วยจะไปปลูกกล้วยแล้วให้ได้สับประรดมันเป็นไปไม่ได้งั้นเราต้องรู้ว่าเรากาลังปลูกอะไร ถ้าเรากำลังปลูกกล้วยเราก็อย่าไปหวังจะได้อย่างอื่นนอกจากกล้วยการไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกความสงบไม่ใช่เป็นการไหว้พระเพื่อให้ร่ําให้รวยในสมัยนี้คําสอนถูกถูกถูกบิดไปหมดกลายเป็นเรื่อง pressure, เพ้อเจ้อเพ้อฝันเรื่องไร้าสาระไปหมดเพราะคนที่สอนก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ